เพื่อมาละชำระบาปเพื่อมากําจัดความโลภความโกงความหลงให้เบาบางลงไปเพื่อประโยชน์สุขคือความสุขและความเจริญที่เป็นผลที่พวกเราทั้งหลายปรารถนากันจะได้ปรากฏขึ้นเป็นของเรา การที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี้เปรียบเหมือนกับการได้ไปเหมือนกับการเดินทางขับรถและได้แวะตามสถานีบริการต่างๆได้แวะเติมน้ำมันเติมน้ำเติมลมได้พักผ่อนได้รับประทานอาหาร เพราะชีวิตของเรานี้ไม่ได้สิ้นสุดที่ความตายเท่านั้นความตายนี้เป็นเพียงการสิ้นสุดของการหยุดพักที่สถานีบริการใจของเรานั้นหลังจากที่ร่างกายได้แตกดับไปแล้วร่างกายก็ต้องออกเดินทางไปต่อ เพราะเรายังไม่ได้เดินถึงจุดหมายปลายทางของพวกเรานั่นเองดังนั้นการเดินทางก็ต้องเดินทางไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางและเวลาที่ได้พบกับสถานีบริการเราก็หยุดแวะเติมน้ำมันกันพบชาติของมนุษย์นี้เปรียบเหมือนกับ สถานีบริการเป็นที่จิตใจจะเติมสเสบียงให้กับจิตใจเพื่อที่จะได้เดินทางไปได้อย่างสะดวกรวดเร็วได้ไปใกล้ที่หมายเข้าไปเรื่อยๆดังนั้นเมื่อเรามาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราจึงต้องรีบขวนขวายตักตวงเติมบุญเติมกุศล ซึ่งเปรียบเหมือนน้ำมันเปรียบเหมือนน้ำเปรียบเหมือนอาหารเปรียบเหมือนที่พักผ่อนหย่อนใจให้เรามีกำลังจิตกำลังใจมากยิ่งขึ้นเพื่อเราจะได้เดินทางไปสู่ทางที่ดีไปสู่จุดหมายปลายทางของเราต่อไปถ้าเรา ขับรถถึงสถานีบริการแล้วเราไม่เติมน้ำหมันเติมน้ำเราไม่รับประธานอาหารมัวไปทำแต่สิ่งที่ไร้สาระไม่ประโยชน์ไม่มีประโยชน์ก็จะเสียเวลาไ ป, ปเปล่าๆเพราะเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องออกเดินทางออกจากสถานีบริการไปเราจะไปแบบไม่มีสเสบียง กัตุนไว้ในรถไม่มีอาหารไม่มีน้ำดื่มและไม่มีน้ำมันพอเพียงที่จะพาให้รถนั่นไปถึงสถานีบริการอันต่อไปได้รถก็อาจจะต้องหยุดกลางทางเราก็ต้องเดินไปแทนต้องลาบากลาบนเพราะการเดินกับการนั่งรถเราก็รู้ว่าลาบาก ต่างกันอย่างไรชีวิตของเราถ้าเกิดมาแล้วไม่ได้ทำบุญไม่ได้ละบาปไม่ได้กําจัดความโลภความโกรธความหลงก็เหมือนกับการที่ไม่ได้ตักไม่ได้กักตุนสะสมสะเสบียงอาหารต่างๆไว้นั่นเองพอตายไปแล้วเราก็จะต้องไปตก กรรมลำบากเพราะถ้าเราทาบาปทํากรรมก็เหมือนกับไปทาผิดกฎหมายเมื่อผิดกฎหมายก็ต้องถูกไปใช้จับไปลงโทษจับไปติดคุกติดตารางถ้าเราทําบาปหลังจากที่เราตายไปแล้วเราก็ต้องไปใช้กรรมใช้โทษในอบายไปตกนรกบ้าง ไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างจนกว่าจะหมดกรรมก็จะถูกปล่อยออกมาก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีโอกาสที่จะสะสมบุญหรือสะสมบาปอีกถ้าสะสมบาปอีกก็ก็จะเป็นเหมือนกับคราวที่แล้ว ก็จะต้องกลับไปใช้เวรใช้กรรมอีกทำอย่างนี้ไปก็จะไม่มีโอกาสที่จะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้าได้ดำเนินไปถึงพระพุทธเจ้าของเรานี้ทุกครั้งที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทุกครั้งที่ได้จอดที่สถานีบริการจะส่งเติมน้ำมัน รับประทานอาหารซื้ออาหารซื้อน้ำใส่รถไว้เพื่อจะได้ออกเดินทางต่อไปพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะทำแต่ความดีละบาปและกำจัดชำระความโลภความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปอยู่เรื่อยๆจนในที่สุดพระพุทธเจ้าก็ได้เดินทางไปถึง จุดหมายปลายทางเดินทางไปถึงบ้านที่มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์เป็นที่ปลอดภัยจากความทุกข์ทั้งปวงเพราะบ้านของพระพุทธเจ้าหรือบ้านของใจเรานี้เป็นบ้านที่จะมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เรามีความสุขตลอดเวลา ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไปหาความสุขในภพชาติต่างๆว่าภพชาติต่างๆนั้นถึงแม้จะเป็นภพของสวรรค์ของเทพของพรหมก็ยังมีความเสื่อมมีการหมดไปได้เช่นเราทำบุญแล้วตายไปเราก็จะได้ไปรับผลของบุญ ไปเป็นเทพบ้างเป็นพรหมบ้างแล้วก็จะอยู่อย่างนั้นไปจนกว่าบุญที่เราได้สะสมไว้นั้นหมดไปเหมือนกับเทียนที่เราจุดไว้เทียนที่เราจุดไว้ไฟก็จะไหม้ไขไปเรื่อยๆจนในที่สุดเทียนไขนั้นก็จะหมดไปเช่นเดียวกับบุญกุศลที่เราทําไว้ บางส่วนที่เราทำไว้มันก็จะหมดไปเมื่อหมดไปเราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะต้องมาเติมเติมใหม่เติมให้มากกว่าเกา่าเติมให้ดีกว่าเกา่าเติมในส่วนที่ไม่เสื่อมถ้าเราได้เติมในส่วนที่ไม่เสื่อมแล้วต่อไปเราก็จะไม่ต้องกลับมาบ่อยถ้าเราเติมแต่ส่วนที่ยังเสื่อมอยู่ เช่นทำบุญให้ทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิผลของบุญเหล่านี้ยังเสื่อมอยู่ยังหมดได้ถ้าเราทำบุญให้ทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิผลก็คือจะได้ไปเกิดเป็นพรหมไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมโลกแต่มันก็จะค่อยๆเสื่อมหมดไปเพราะบุญทั้งสาประการนี้ ไม่ถาวรเมื่อกลับมาเกิดแล้วก็ต้องมาสะสมใหม่แต่ถ้าเราสะสมบุญที่ชนิดที่ไม่เสื่อมคือเจริญปัญญาเจริญวิปัสสนาบุญนี้จะไม่เสื่อมไปจากใจจะรักษาจิตใจไม่ให้ต้องกลับมาเกิดใหม่ เช่นพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านได้เจริญทั้งการทำบุญให้ทานการรักษาศีลการเจริญสมาธิและเจริญปัญญาถ้าได้เจริญปัญญาแล้วบุญที่ได้สะสมไว้ทั้งหลายก็จะไม่เสื่อมหมดไปก็จะมีบุญหล่อเลี้ยงจิตใจไปตลอดเวลา ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับแสงพระอาทิตย์ที่มีอยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนกับแสงเทียนที่เราต้องคอยจุดใหม่เรื่อยๆจุดเทียนแท่งนี้แล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วก็จุดเทียนแท่งใหม่แต่เรามีถ้าเรามีแสงสว่างของแบบดวงอาทิตย์เราก็ไม่ต้องคอยจุดเทียนอยู่เรื่อยๆฉันใดบุญกุศลที่เรา มาบำเพ็ญกันนั้นก็มีทั้งส่วนที่จะเสื่อมและหมดไปได้และมีส่วนที่ไม่หมดไปเราจึงควรที่ให้ความสนใจต่อการบำเพ็ญบุญที่จะไม่หมดไปจากใจของเราคือเราต้องเจริญปัญญาควบคู่ไปกับการทำบุญให้ทานการรักษาศีลการนั่งสมาธิ เพียงแต่เราจะไม่ทำทีเดียวพร้อมๆกันเราทำไปตามวาระของมันเหมือนกับเรียนหนังสือในโรงเรียนในในแต่ละวันนี้เขาจะแบ่งเวลาไว้สำหรับให้เรียนวิชาต่างๆ ต, ตอนเช้าก็ให้เรียนภาษาไทยตอนสายหน่อยก็ให้เรียนภาษาอังกฤษตอนบ่ายก็ให้เรียนพระศึกษา คือมีวิชาต่างๆให้เรียนตามเวลาต่างๆกันการบำเพ็ญบุญกุศลชนิดต่างๆเราก็บำเพ็ญในเวลาที่ต่างกันเช่นเดียวกันเช่นตอนเช้านี้เราก็มาบำเพ็ญทานกันเรามาเอาข้าวของเงินทองที่เป็นของเราที่เหลือกินเหลือใช้ที่มีเกินความจําเป็น ที่เราไม่ต้องอาศัยส่วนนี้เราก็นำเอามาถวายพระซื้อข้าวซื้อของมาถวายพระมีเงินเหลือก็บริจาคช่วยค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆของทางวัดอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นการทำทานหรือทำบุญนี่เอง กำว่าทานแปลว่าการให้เมื่อให้แล้วก็จะเกิดเป็นบุญขึ้นมาเราก็ทำไปตามวาระที่สมควรเช่นตอนเชา้าหรือเวลาอื่นก็ได้ถ้าเราไปเจอคนที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเขาต้องการความช่วยเหลือเราพอที่จะให้ความช่วยเหลือกับเขาได้ก็ถือว่าเป็นการทำทานเช่นเดียวกัน นี่ก็เป็นเรื่องของทานส่วนเรื่องของศีลเราก็ต้องรักษาอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาเราหลับไปเราต้องมีสติคอยเฝ้าดูการกระทาทางกายและทางวาจาอยู่เสมอทุกครั้งที่เราจะพูดอะไรเราต้องรู้ก่อนแล้วว่าเราจะพูดความจริงหรือจะพูดปด เราจะพูดคำหยาบหรือจะพูดคำสุภาพเราจะพูดเพ้อเจ้อหรือเราจะพูดสิ่งที่มีสาระเราจะพูดในสิ่งที่มีคุณหรือเราจะพูดในสิ่งที่มีโทษนี่คือเราต้องมีสติและต้องมีปัญญาคอยแยกแยะดูว่าเรากำลังคิดจะไปพูดในทางไหนถ้าเราคิดไปในทางที่ไม่ดี จะพูดปดจะพูดคำหยาบเราก็ลั ง, งับอย่าไปพูดปิดปากไว้เฉยๆอย่างนี้เราก็จะรักษาศีลไว้ได้เช่นเดียวกับการกระทำถ้าเราจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเช่นวันนี้บางท่านที่ไม่ชอบเข้าวัดก็อาจจะไปยิงนกตกปลากันไปนั่งเรือออกไปในทะเลไปตกปลาบางคนเข้าปา่า ก็ไปร่าสัตว์กันถ้าเขาคิดซะหน่อยมีสติซะหน่อยและมีปัญญาแยกแยะว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นบาปหรือเป็นบุญเขาก็จะได้ไม่ไปทำสิ่งเหล่านั้นเขาก็จะมีศีลถ้าเขาไม่รักษาศีลตายไปเขาก็ต้องไปใช้กรรมในอบายอาจจะต้องไปตกนรกหรือไปเกิดเป็นเปรต หรือไปเกิดเป็นเดราชฉานแต่ถ้าสามารถรักษาศีลไว้ได้ทั้งห้าข้อไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ดีการลักทรัพย์ก็ดีการประพฤติผิดประเวณีก็ดีการพูดปลดมดเท็ดก็ดีหรือการเสพสุรายาเมาก็ดีตายไปก็ไม่ต้องไปใช้กรรมนอบายแต่จะได้ไปเกิดในสวรรค์ และหลังจากนั้นก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกได้มาสร้างบุญสร้างกุศลอีกน่าจะกลับไปกลับมาอย่างนี้อยู่เรื่อยพอตายไปก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์อีกแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาสร้างบุญสร้างกุศลต่ออีกทนกว่าจะสามารถสร้างบุญที่ไม่เสื่อมคือปัญญาได้ปัญญานี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราจเจริญอยู่ ทุกวันเวลาคือให้เราพิจารณาว่าเกิดมาแล้วเราย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาเราย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเราย่อมมีความตายเป็นธรรมดาเราต้องพัดพรากจากสิ่งที่เรารักเป็นธรรมดาให้เราพิจารณาอยู่เรื่อยๆเพราะว่าความรู้อย่างนี้ จะรักษาจิตใจของเราไม่ให้ไปทำบาปทำกรรมเวลาที่เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นเช่นเกิดเหตุการณ์มีคนอื่นจะมาทำร้ายมาทำลายชีวิตของเราถ้าเรามีปัญญาแทนที่เราจะป้องกันตัวด้วยการไปฆ่าเขาเราก็จะไม่ทำเราก็จะพยายามหลบถ้าหลบได้ถ้าหลีกได้เราก็หลีก ถ้าหลบไม่ได้หลีกไม่ได้เราก็ปรง่งอนิจจงคิดเสียว่าเราเกิดมาแล้วก็ต้องตายด้วยกันทุกคนไม่ช้าก็เร็วแต่ดีกว่าอยู่แล้วทําบาปทํากรรมเพราะเมื่อตายไปก็ต้องไปใช้กรรมในอบายแต่ถ้าตายไปโดยที่เราไม่ได้ทําบาปเราก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์ทันที และหลังจากนั้นก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอีกได้รักษาศีลอีกได้เจริญปัญญาอีกเพราะต่อไปเมื่อเราเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะอยู่ติดกับใจของเราใจของเรานี้จะรู้ทันเวลาที่เราสูญเสียอะไรไปแทนที่เราจะเสียอกเสียใจร้องหหมร้องไห้เลือกเกิดความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาท เรากับรู้สึกเฉยๆเราเพราะเรารู้แล้วว่ามันเป็นเหตุธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราไม่รู้ไว้ก่อนเวลาเราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปถ้ามีคนมาแย่งจากเราไปเราก็จะเกิดความโกรธแค้นอาฆาตพยาบาทได้เช่นถ้าใครมาแย่งคู่ครองของเราไปถ้าเราไม่มีปัญญายอมรับความจริงว่า เราต้องพลาดพลากจากกันสักวันหนึ่งอย่างแน่นอนเป็นเรื่องธรรมดาเราก็จะเกิดความโกรธอาฆาตพยาบาทกับคนที่มาแย่งคู่ครองของเราไปหรือกับคู่ครองของเราเองถ้าเขาสมัครใจไปกับเขาเราก็อาจจะต้องไปทำบาป ท, ทำกรรมไปฆ่าเขาได้แล้วเราก็จะต้องไปใช้กรรมต่อไป แต่ถ้าเรามีปัญญารู้ว่าการพัดพลาคจากการนี้เป็นเรื่องธรรมดาพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเราก็จะทำใจได้เราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่อาฆาตพยาบาทไม่โกรธแค้นโกรธเคืองแต่อย่างใดนี่คือปัญญาซึ่งเป็นบุญที่จะรักษา ให้เรานั้นไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเพราะถ้าเราสามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ต้องพัดพากจากกันอยู่เสมอ mm. ก็จะทำให้เราไม่มีความอยากที่จะได้อะไรในโลกนี้ไม่อยากจะได้สมบัติเข้าของเงินทองไม่อยากจะได้คนนั้นคนนี้มาเป็นคู่ครอง ไม่อยากจะเป็นใหญ่เป็นโตไม่อยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เพราะว่าทําไปเท่าไหร่มันก็เสื่อมหมดไปจางหายไปหมดไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในจิตใจเลยมีปัญญานี้เท่านั้นที่จะอยู่กับจิตใจที่จะรักษาให้ใจนั้นมีความสุขมีความสงบมีความเย็นมีความอิ่มมีความพอได้ ถ้าเราจเจริญอยู่เรื่อยๆจนเราสามารถเอาชนะความอยากต่างๆได้แล้วเราก็ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปเช่นะนพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านได้จเจริญปัญญาอยู่ตลอดเวลาท่านรู้ทันว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะให้ความสุขอย่างแท้จริงเพราะไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนได้มาวันนี้ มีความสุขวันนี้ถ้าเกิดจากเราไปพรุ่งนี้ก็จะกลายเป็นความทุกข์นี่คือปัญญาเห็นความทุกข์ที่มีอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เมื่อเห็นแล้วก็จะไม่เกิดความอยากได้เมื่อไม่มีความอยากได้ก็จะไม่มีพบไม่มีชาติตามมาไม่มีความทุกข์ตามมาอีกต่อไปนี่คือปัญญาเป็นสิ่งที่เราควรจ ะ, จะเจริญ ตามสมควรแก่เวลาที่เรามีอยู่เวลาที่เราว่างไม่ต้องคิดอะไรหรือเรามีสติเราเลิกถึงความความคำสอนของพรอพระเจ้าได้ก็ถือว่าเราได้เจริญปัญญาแต่เป็นสิ่งที่เราต้องเจริญอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราไม่เจริญอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวเราไปคิดเรื่องอื่นไปทำเรื่องอื่น เรือนี้ก็จะถูกหลบไปเหมือนกับเทปถ้าเราอัดไว้แล้วแล้วเราไปอัดอย่างอื่นทับเข้าไปสิ่งที่เราอัดไว้นั้นมันก็จะหายไปสิ่งใหม่ที่เราอัดเข้าไปมันก็จะทับมันเข้าไปความคิดของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราคิดไปในทางปัญญาอยู่เรื่อยๆมันก็จะอยู่กับเราไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราเผลอเราลืมเราไปคิดเรื่องอื่นแทน คิดเรื่องรรมาหากินคิดเรื่องไปเที่ยวคิดเรื่องไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆเราก็จะกลายเป็นคนโง่ไปเราจะไม่มีปัญญาเราจะถูกความโง่หลอกให้เราไปหาความทุกข์เพราะเราลืมคิดไปว่าไม่มีอะไรที่เป็นความสุขที่แท้จริงในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เหมือนกับเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดถ้าปลาไม่ฉลาด ไม่รู้ว่ามีเบ็ดอยู่เกี่ยวติดอยู่กับเหยื่อพอไปพูบเหยื่อนั้นแล้วก็จะต้องถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวที่คอเกี่ยวที่ปากก็จะทุกข์ทรมานมากความสุขต่างๆสิ่งต่างๆในโรคนี้ก็เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนี่เองเพราะมีความทุกข์ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโรคนี้มีความทุกข์ทั้งนั้น เพราะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนั่นเองมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมีการมาแล้วก็มีการไปไม่มีอะไรที่จะอยู่กับใจไปตลอดแม้กระทั่งร่างกายของเราก็ไม่อยู่กับใจไปตลอดจะร่างกายของเราเพอเกิดมาแล้วก็จเจริญเติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ค่อยกลายเป็นคนแก่แล้วก็ตายไป บางคนก็ยังไม่ทันแก่ก็ตายไปก็มีไปเกิดประสบอุบัติเหตุไปประสบกับเคราะห์กรรมต่างๆถูกเขาฆ่าตายไปก่อนก็มีอยู่เพราะว่าร่างกายนี้เป็นอย่างนี้นั่นเองไม่เที่ยงแท้แน่นอนเช่นเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกถ้าเราไม่สอนใจไม่เตือนใจอยู่เรื่อยๆใจก็จะหลงทันทีพอเราลืมปั๊บ ก็จะเห็นว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีคนนั้นดีคนนี้ดีจะให้ความสุขกับเราอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาทันทีแล้วก็จะทำให้เราเกิดความอยากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็จะต้องขวนขวายไปหาสิ่งที่เราอยากได้มาลืมไปว่าเรากำลังวิ่งเข้าหาของทุกข์ลืมไปว่าเรากำลังตะคุมเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ด ลืมไปว่าเดี๋ยวจะต้องถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากเกี่ยวคอฉนะันใดการที่เราไม่เจริญปัญญาอย่างสม่ำเสมอก็เป็นอย่างนั้นพอเราไม่คิดทันพอเราไม่คิดถึงเรื่องปัญญาแล้วความหลงก็จะเข้ามาครอบงำจิตใจความหลงก็จะมาคิดแทนจะมาหลอกให้เราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากอยู่ไปนานๆอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่จากกันเพราะเกิดความอยากอย่างนี้ขึ้นมาก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเกิดความทุกขเกิดความกังวลใจขึ้นมาทันทีทั้งๆ ท, ที่ยังไม่เกิดขึ้นเลยเพียงแต่คิดมีความอยากเท่านี้ก็มีความวุ่นวายใจแล้วแล้วยิ่งเวลาที่เกิด ต้องจากกันขึ้นมาแล้วจะวุ่นวายใจมากสักแค่ไหนเสีย อ, อกเสียใจมากสักแค่ไหนถ้าเสียใจก็แสดงว่าไม่มีปัญญาแต่ถ้าเฉยๆไม่รู้สึกวุ่นวายใจก็แสดงว่ามีปัญญารู้ทันไม่หลงไม่ยึดไม่ติดไม่ยินดีอยากให้อยู่กับเราไปตลอดตอนนี้มีอะไรก็มีไปอยู่ได้ก็อยู่ไป อยากจะจากก็จากไปถ้าคิดอย่างนี้ได้สแสดงว่ามีปัญญามีเกราะคุ้มครองจิตใจมีความสุขอยู่ตลอดเวลาท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆท่ามกลางของการมาและไปของสิ่งต่างๆเราจะไม่รู้สึกวุ่นวายใจแต่อย่างใดเราจะมีความสุขเสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเรามีปัญญา คอยคุ้มครองใจของเราไม่ให้มีความอยากต่างๆนั่นเองดังนั้นขอให้เราคอยสังเกตดูความอยากของเราเป็นเป็นหลักถ้ามีความอยากเมื่อไหร่แสดงว่าเรากำลังโง่แล้วเรากำลังหลงแล้วเรากำลังไม่มีปัญญาแล้วถ้าเรามีปัญญาเราจะไม่อยากได้อะไรเพราะไม่รู้ว่าเพราะไม่อยากจะทุกกับมันนั่นเองเพราะเรารู้ว่ามันเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ ปลเบ็ดนั่นเองดังนั้นขอให้เราพยายามเจริญปัญญาด้วยควบคู่กับการทําบุญอย่างอื่นคือทําบุญให้ทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบด้วยการสวดมนต์ด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเวลาที่เรามีเวลาว่างแทนที่จะไปเสียเวลากับการดูหนังฟังเพลงกับการเล่น อะไรต่างๆกับการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆกับการไปดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการขาดปัญญาทั้งนั้นอย่าไปทาพยายามคิดถึงปัญญาและคิดถึงหน้าที่ที่เราต้องทำอยู่ตลอดเวลาและเราจะได้ทำสิ่งที่เราควรทำแล้ว เช่นเราจะทำบุญอยู่ตลอดเวลารักษาศีลตลอดเวลานั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาจเจริญปัญญาอยู่ตลอดเวลาการกระทำทั้งสี่อย่างนี่และเป็นการกระทำที่มีเหตุมีผลมีคุณมีประโยชน์กับจิตใจอย่างแท้จริงถ้าทำอย่างอื่นแล้วจะไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ ยกเว้นเรื่องของการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องที่มีความจำเป็นพอๆกับการทำบุญทำทานรักษาศีลดังนั้นขอให้เราทำเพียงแต่ในสิ่งที่จำเป็นเพื่อจะได้พัฒนาชีวิตจิตใจของเราเพื่อจะได้พาชีวิตจิตใจของเราให้ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้ไปถึง คือพระนิพพานที่มีแต่ความสุขตลอดเวลาเถิดจึงขอฝากเรื่องของการเข้าวัดเพื่อมาเติมสบเบียมมาสร้างบุญสร้างกุศลมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไป